ช่วงนี้ก็มีญาติโยมถามกันเข้ามามากว่ามาฟังธรรมที่กุฏินี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้ไม่เคยห้ามเพียงแต่ว่าไม่มีอะไรรับรองมาแบบตามมีตามเกิดเราไม่มีเสือไม่มีที่มุงที่บงังถ้าจะมาก็ต้องเตรียม ของมาเองเพราะช่วงนี้เป็นช่วงมีโลกระบาทใช้ของใครของมันดีกว่าถ้าใช้รวมกันก็อาจจะมาแพร่เชื่อให้ต่อกันได้ฉันถ้าอยากจะมาก็มาได้แต่หาเสือมาเองแล้วที่นั่งก็ตามมีตามเกิดตามร่มไม้ตามชายคา หรือถ้าไม่มีก็เอาล่มมากลางก็ได้ถ้าอยากจะมาจริงๆนั่งฟังฟังธรรมไปกลางล่มไปนะกันแดดการฝน น, นี่คือสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่กล้า บ, บอกว่านะมาเหมือนตอนที่อยู่บนเขา ตอนที่อยู่บนเขาตอนนั้นยังไม่มีโลกบาดก็เข้ามาได้ตามบททีอาศัยมีเสือมีอะไรปูได้แต่ช่วงนี้ก็เป็นแบบนี้ก็หวังว่าท่านคงจะเข้าใจคือโดยหลักการที่เรามาแสดงธรรมนี่ก็เพราะว่าช่วงช่วงนั้น ญาติโยมออกจากบ้านกันไม่ได้ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านกันก็เลยใช้การถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ทาง YouTube เพื่อที่จะได้มีธรรมะฟังอยู่เรื่อยๆอันนี้คือเจตนาเดิมของการแสดงธรรมที่กุฏินี้ ตอนต้นก็ให้เอาของเก่ามามาถ่ายทอดสดทีนี้ก็มีแฟนคลับอยากจะฟังสดๆก็เลยขอให้พูดบ้างก็เลยได้กำหนดกันไว้ทุกสี่วันด้วยกันทุกสี่วันก็จะมีการแสดงสดไม่ได้เป็นการเอาของเก่ามา ถ่ายทอดสดแล้วก็ในช่วงวันที่สำคัญที่จะมาถึงคือวันอาสาฬห บ, บูชาและวันเข้าพรรษาก็จะมีการแสดงธรรมเพิ่มขึ้นมาอีกเนั้นหลังจากวันนี้วันที่สามวันที่ห้าก็จะมีการแสดงธรรมเพราะเป็นวันอาสาฬห บ, บูชา ้ววันที่หกก็เป็นวันเข้าพรรษาก็จะมีการแสดงอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ต่อไปอีกสี่วันถึงจะมีอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันที่หกก็จะเป็นวันที่สิบจากวันที่สิบก็เป็นวันที่สิบสี่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าทางป่าไม้จะเปิด เขาชีโอนให้ญาตโยนเข้าไปฟังเทศน์ฟังธรรมได้ตอนนี้ก็ทำแบบนี้ไปก่อนถ้าไม่สะดวกมาก็ไม่ต้องมาก็ได้เพราะสามารถฟังผ่านทางยูทูบผ่านทางเฟซบุ๊กได้ อยู่ที่บ้านก็ฟังได้อยู่ในรถก็ฟังได้อยู่ที่ไหนก็ฟังได้<ม>ธรรมะเป็นอันเดียวกัน<ม>ฟังในรถฟังในบ้านฟังที่วัด<ม>ก็เป็นธรรมันเดียวกัน<ม>เป็นเรื่องเดียวกัน<ม>ฉะนั้นก็ขอฝากความเข้าใจถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ให้ท่านได้ทราบไว้ จะได้ไม่ต้องมาถามอยู่เรื่อยๆการฟังธรรมนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกของกาของะบวนการเดินทางไปสู่พระนิพพานไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโวกเราตอนนี้กำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ โดยที่เราไม่รู้ว่าเราเรียนว่าตายเกิดกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราไปเห็นร่างกายว่าเป็นเราเพราะเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้จับต้องได้แต่ความจริงแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจเป็นกายทิบที่มา ข้อครองกายอยากคือร่างกาย น, นี้แล้วก็สั่งให้ร่างกายอันนี้ทําอะไรต่างๆตามความอยากของเรา<ม>เราอยากดูเราก็ต้องมีร่างกายมีตาถึงจะดูได้อยากฟังก็ต้องมีหู<ม>อยากริ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับอะไรต่างๆ<ม>ก็ต้องมีร่างกาย เราจึงมาเกิดกันมาหาร่างกายเวลาที่พ่อแม่คนใหม่ของเราเริ่มสร้างร่างกายร่างใหม่ขึ้นมาถ้าเป็นจังหวะที่จะเป็นของเราเราก็จะได้ร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่ของเราเราเป็นกายที่เป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายที่พ่อแม่สร้างนี้ไม่ได้เป็นเรา เป็นคนรับใช้เราร่างกายเป็นบ่าวจิตใจเป็นนายผู้รู้ผู้คิดนี้คือเราที่สั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆให้กับเราเพราะใจของเรานี้มีความอยากฝังอยู่ในใจความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผล พ, พะ ความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงาอยากรลออยากมีแต่ความสุขเรียกว่าความอยากมีความอยากไม่มีก็คือความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากไม่ตกทุกข์ได้ยากลาบาก ความอยากไม่อดอยากขาดแคลนความอยากเหล่านี้มันจึงผลักดันใจของเราให้มามีร่างกายเพื่อเราจะได้มีความสุขจากการได้เสกรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆจากการได้เป็นอะไรต่างๆเราเป็นคนธรรมดาไม่พอใจไม่ชอบ อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันอยากเป็นหัวหน้าอยากเป็นนายถ้าเป็นทหารก็อยากมียศต่างๆ ต, ตอนต้นก็เป็นพลทหารแล้วก็เลื่อนเป็นนายสิบนายร้อยนายพันนายพลไปพออยากแล้วก็เกิดความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่ได้มา ได้อะไรมาก็ไม่อยากจะเสียมันนี่แหละคือความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนที่พาให้พวกเราต้องมามีร่างกายกันเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้พาเราไปทำตามความอยากต่างๆแต่ร่างกายนี้มันก็เป็นของไม่ถาวร ใจเราถาวรผู้รู้ผู้คิคดเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายแต่ร่างกายนี้มันต้องมีวันแก่วันเจ็บวันตายแล้ววันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องตายไปพอตายไปตอนนั้นเราก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณไปเป็นกายทิพย์ที่ไม่มีร่างกาย ที่ร่องรอยอยู่ในโลกทิศอยู่ในสวรรค์ถ้าได้ทำบุญไว้อยู่ในอบายถ้าได้ทำบาปไว้แล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็กลับมาเกิดใหมให่เรามาเกิดเป็นมีร่างกายนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านร่างกายแล้ว ร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่เดี๋ยวร่างกายอันใหม่ได้มาก็ตายไปพอตายไปอีกก็ไปหาร่างกายอันใหม่เนี่ยที่อาารเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย จึงพาให้เราต้องมามีร่างกายอยู่ด้แต่การมีร่างกายของเรานี้มันมีทั้งสุขและมันมีทั้งทุกข์เนียสุขก็คือเวลาที่เราได้ทำอะไรตามที่เราต้องการไปเที่ยวไปดูอะไรไปฟังอะไรเราก็มีความสุขกันแต่เราก็มีความทุกข์ด้วยเวลาที่เราไม่ได้ดูไม่ได้ฟัง เช่นช่วงที่เราต้องอยู่บ้านไม่ได้ออกไปนอกบ้านไม่ได้ไปเที่ยวไปทำอะไรเหมือนที่เราเคยทำเราก็จะมีความรู้สึกทุกข์หลุดเอดล็ดลำคาญใจอยู่บ้านเลยเหมือนติดคุกติดตารางพอเขาบอกให้ออกได้ น, นี้ออกมากันใหญ่เลยนนี้คือด้านลบของการมาเกิดคือมันไม่ได้ความสุขอย่างเดียว มันมีความทุกข์ตามมาด้วยเพราะความสุขที่เราหาได้มามันไม่ถาวรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาปุ๊บเดี๋ยวมันก็หมดไปละกินขนมปับเดี๋ยวมันก็หายไปละความสุขที่ได้จากการกินขนมเดิมเครื่องดื่มก็เหมือนกันเดิมเสร็จแล้วเดี๋ยวความสุขก็หายไปก็ต้องคอยหามาดื่มมารับประทานอยู่เรื่อย แล้วถ้ามีอุปสรรคไม่สามารถหามาได้เช่นไม่มีเงินทองเช่นตอนนี้คนตกงานกันนี่ก็จะทุกข์เพระไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อของมาให้ความสุขกับตนเหมือนตอนที่มีเงินทองแล้วนอกจากไม่มีเงินทองแล้วต่อไปร่างกายก็อาจจะไม่ไหวแล้วแก่แล้วแก่ก็ไม่รู้ จะไปไหนมาไหนก็ยากลำบากเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีตอนนั้นก็จะหาความสุขไม่ค่อยได้เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรือตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นอย่างนั้น <Yeah. S 1> เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจ <Yeah. S 1> เพราะมีความเจ็บปวดของร่างกายแล้วยังมีความที่ ไม่ได้มีไม่ได้เส别กเสียงกลิกก่นรสตามที่เคยได้เสกเคยไปเที่ยวก็ไปไม่ได้เคยดูเคยฟังอะไรก็ดูไม่ได้ดูก็ไม่สนุกไม่มีความสุขเพราะความเจ็บใข้ได้ป่วยมันทรมานมันทุกข์ทรมานแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องตายไปเวลาตายก็ เวลาเราคนอื่นตายเราก็เศร้าโศกเสียใจคนที่เรารักคนที่ให้ความสุขกับเราเวลาเขาตายจากเราไปเราก็เศร้าโศกเสียใจร้องหง่มร้องไห้เนี่ย <Yeah. S 1> นี่แหละ <Yeah. S 1> คือด้านลบของการมาเกิดเกิด <Yeah. S 1> ค, ความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้ตัดสั้นเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ได้เห็นภาพในอนาคตของท่านือได้เห็นภาพของคนแก่ของคนเจ็บไข้ได้ป่วยของคนตายแล้วท่านก็ได้รับทราบจากมหาเล็กว่าต่อไปร่างกายของท่านก็จะเป็นอย่างนั้นร่างกายของท่านก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็เลยเกิดความกลัวความแก่ความเจ็บความตายเป็นอย่างมาก จนถึงกับมีความรู้สึกไม่มีความสุขเหมือนก่อนหน้านั้นเมื่อก่อนท่านไม่เคยรู้เรื่องของร่างกายของท่านว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะตอนที่อยู่ในวังนี้พระเจ้าสุดโททนะคือพระราชบิดานี้ห้ามไม่ให้เอาคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังเไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะ เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอยากให้เจ้าชายสศทธฐานี้หลงละเลงกับความหนุ่มความสาวกับความสุขเพื่อที่จะได้อยู่ต่อไปจะได้ไปเป็นมหาจักรพรรดิเนี่ยเพราะว่าถ้าไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะจะทาให้จะไม่มีความอยากจะอยู่ในวังอีกต่อไป แต่ไม่อยากจะอยู่หาความสุขเพราะรู้ว่าต่อไปเวลาแก่เวลาเจ็บก็จะไม่สามารถหาได้แต่ก็ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้เห็นอนาคตของร่างกายของท่านได้เพราะท่านอยากจะออกไปดั้งวังออกไปดูว่านอกวังมีอะไรบ้างแต่ถูกห้ามไว้ออกไม่ได้ แต่ความอยากออกไปมันมากจนถึงกับต้องหนีออกไปหลบออกไปเล็ดลอดออกไปพอออกไปก็ไปเห็นโลกของความจริงโลกของความทุกข์นั่นเองโลกของความแก่ความเจ็บความตายโลกของการพลาดพลาดจากกันจึงทำให้พระองค์ หายจากความหลงละเิงกับการหาความสุขทางร่างกายแล้วก็ทำให้พระองค์นี้อยากจะหนีจากความแก่ความเจ็บความตายก็ได้เห็นได้พบเห็นนักบวชและได้ทราบว่าพวกนักบวชนี้เป็นพวกที่หาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมา เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายและไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย mm hmm. เพราะเขามีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่ง mm hmm. คือความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย mm hmm. ความสุขที่เกิดจากการทาใจให้สงบ mm hmm. ที่เกิดจากการฝึกสติเช่นทำบริกรรมพุทโธพุทโธ จนทําใจให้สงบพอใจสงบหยุดคิดได้ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอีกทีเรียกว่าสันติสุขความสุขที่เกิดจากความสงบสันติคือความสงบสันติสุขนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไปดูไปฟังไปริมรถไปดมกลิ่น ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายหาความสุขจากความสามารถของใจใจมีสติที่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้ถ้าไม่มีก็สามารถฝึกสร้างขึ้นมาได้สตินี้มีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่มีน้อยแล้วก็ ขาดปัญญาปัญญาก็มีอยู่ในใจแต่มีน้อย <Yeah. S 1> ปัญญาคือไม่รู้ว่าวิธีทำใจให้มีความสุขนี้ทำอย่างไร <Yeah. S 1> ก็เลยต้องอาศัยคนที่รู้ <Yeah. S 1> ยุคที่พระพุทธเจ้าทรงออกปฏิบัติออกบวช <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์นักบวชที่รู้วิธี <Yeah. S 1> ทำใจให้มีความสุข โดยการเจริญสติคือกรรมฐานชนิดต่างๆมีกรรมฐาน40ิชนิดด้วยกันเป็นอารมณ์ที่ใช้ในการทำใจให้สงบได้เช่น<ช>คำ<ม>บริกรรมพุทธโธพุทธโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติคือให้มีสติรู้อยู่กับพุทธโธ รูอยู่กับคําว่าพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเร า, เ, ราเลิกถึงพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องใจของเราก็จะไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ได้ <Yeah. S 1> พอไม่ได้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะสงบตัวลง <Yeah. S 1> พอความอยากสงบตัวลง yeah. ใจก็สงบขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะโผกขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาเพราะว่าไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเพียงแต่มีสติ มีกรรมาฐานไว้คอยกำกับควบคุ่ใจไม่ให้คิดไปในทางความอยากเท่านั้นเอง mm hmm. ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้วิธีทำใจให้สงบ mm hmm. ก็ต้องไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นนักบวชต่างๆซึ่งในยุคนั้นนักบวชทั้งหลาย ก็รู้จักวิธีทำใจให้สงบกันรู้จักทำใจให้มีความสุขแต่ความสุขที่เขาหามาได้นี้เป็นความสุขแบบชั่วคราว<ม>เวลาจิตสงบเข้าไปในสมาธิก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่ก็อยู่ไม่ได้นานอยู่ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องถอนออกมาออกมาเกี่ยวข้องกับร่างกาย เพราะร่างกายต้องการการดูแลนั่นเองนั่งกายนั่งนานๆก็เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาหรือถึงเวลาที่จะต้องขับถ่ายมันก็จะต้องจิตก็ต้องถอนออกจากสมาธิมาเพื่อมาดูแลร่างกายมาขับมาถ่ายแล้วก็ต้องไปเติมอาหารเติมน้ําเติมอะไรมันก็เลย อยู่ในความสงบได้เป็นพักๆแล้วพอออกมาพอใจไปคิดถึงเรื่องแก่เจ็บตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกเพอะการนั่งสมาธินี้การสงบนี้ไม่ได้ไปทําให้ความกลัวแ ก, ควก่วความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายนี้มันหายไปในยุคนั้นก็รู้จากวิธีปฏิบัติเพียงเท่านี้ สามารถทำใจให้มีความสุขได้เป็นพักๆแต่พอออกจากสมาธิมาใจก็เริ่มทุกข์วุเริ่มวุ่นวายใจกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้กับคนนั้นกับคนนี้กับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้โดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมต้องไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆทาไมวุ่นวายกับร่างกายของเราวุ่นวายกับร่างกายของคนอื่น วุ่นวายกับการกระทําของคนอื่นคนอื่นทำดีทำไม่ดีก็วุ่นวายใจไปกับเขาอุ่นไปลายไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาขาดแคลนก็วุ่นวายใจเวลาต้องหามาเติมก็วุ่นวายใจมีแต่เรื่องวุ่นวายใจเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิเพราะไม่มีใครรู้ว่าความวุ่นวายใจมันเกิดจากอะไร เมื่อไปศึกษากับพระรูปใดอาจารย์รูปใดก็ไม่มีใครรู้ว่าทำยังไงให้ใจไม่ทุกข์เวลาที่ออกจากสมาธิมาก็ไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้พระพุทธเจ้าเลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยตนเองหว่าทาไมเวลาออกจากสมาธิทาไมใจไม่สงบไม่มีความสุขเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิ ก็ทรงคนพบว่าเวลาที่อยู่ในสมาธินั้นใจไม่มีความอยากใจเลยมีความสงบมีความสุขแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มมีความอยากขึ้นมาเช่นเวลาฝนต ก, กก็อยากให้มันหยุดก็ทุกข์ขึ้นมานะเวลามีอะไรที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดพอมันเกิดมันก็ทุกข์ เพราะเราอยากให้มันไม่เกิด <Yeah. S 1> แล้วเวเวลาที่เราเสียอะไรไปเราก็ทุกข์ mm hmm. ถ้าเรามีความอยากไม่เสียสิ่งที่เราเสียไปพระพุท yeah. mm hmm. ธเจ้าหลังจากใช้การพิจารณาก็ส่งค้นพบว่า mm hmm. ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของใจเอง <Yeah. S 1> อยากมีความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกาย พอไม่สามารถมีความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ก็ทุกข์ <Yeah. S 1> อยากมีอยากเป็นพอไม่ได้มีไม่ได้เป็นก็ทุกข์ <Yeah. S 1> อยากไม่มีอยากไม่เป็นพออยากไม่ได้ก็ทุกข์อีกแต่ถ้าหยุดความอยากได้ไม่ไปอยากมันได้ <Yeah. S 1> ใจก็ไม่ทุกข์ขึ้นมา และ ว, วิธีที่จะทำให้ใจยหยุดความอยากแบบไม่ต้องเข้าสมาธินี้ทำอย่างไร <Yeah. S 1> ก็ต้องมองความจริงของสิ่งที่เราอยาก <Yeah. S 1> สิ่งที่อยากที่เราอยากได้นี้เราคิดเราจะคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเรา <Yeah. S 1> ไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> ไม่มีวันสิ้นสุด <Yeah. S 1> แต่ความจริงสิ่งที่มันให้ความสุขกับเราเนี้ <Yeah. S 1> มันเป็นของชั่วคราวทั <Yeah. S 1> ้งนั้น ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่มหมดไปเสื่อมไปพอมันเสื่อมไปหมดไปเลิ่เปลี่ยนไปความสุขที่เคยได้จากมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอดของที่เราซื้อมาใหม่ๆใช้ได้ดีทุกอย่างพอใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวเริ่มเสียแล้วพอใช้ไม่ได้ขึ้นมามันก็ทำให้เราทุกข์แล้ว พอเราอยากจะใช้มันอยู่เรื่อยๆอยากให้มันให้ความสุขกับเราอยู่เรื่อยๆนั่นเอง <Yeah. S 2> อย่างวิธีที่จะทําให้เราไม่อยากได้อะไรก็คือต้องเห็นว่ามันจะทําให้เราทุกข์เพราะต่อไปมันจะต้องเสื่อมมันจะต้องเปลี่ยนไปหรือมันหมดสภาพไป <Yeah. S 2> ใช้ไม่ได้ให้ทําให้มันให้เรามีความสุขไม่ได้ะ yeah. พอไม่ให้ความสุขกับเรามันก็เลยให้ความทุกข์กับเราแทนดะงนั้นสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าถ้าได้มาแล้วเราจะมีความสุขนี้มันจะเป็นความสุขเดี๋ยวๆชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหมดแล้วมันก็จะให้ความทุกข์กับเราแทนถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ต่อไปเวลาเราอยากได้อะไรเราก็จะบอกไม่เอาดีกว่า ได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทุกข์เสื่ออยู่เฉยๆดีกว่าตอนนี้เราอยู่เฉยๆเราก็ไม่ทุกข์ไม่มีเดือดร้อนกับอะไรไ่อยากมันทำไมหยุดความอยากดีกว่าไม่ทำพอเปลี่ยนใจได้พอความอยากหายไปได้เราก็สบายอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนไม่มีก็อยู่ได้มีความสุขได้นี่คือ การศึกษาการค้นคว้าของพระพุทธเจ้าจนทำให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสุตัดสุลภริยศาสี่คือความจริงสี่ข้อด้วยกันที่เกิดในใจของพวกเราความจริงสี่ข้อนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็กลุ่มที่ทำให้เราทุกข์กลุ่มที่สองเรียกว่า ทำให้ความทุกข์หายไปกลุ่มแรกก็มีสองอันคือทุกข์กับต้นเหตุของความทุกข์ความทุกข์ใจเวลา <elt> เราแก่เราเจ็บนี่เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากแก่นะั่นเองแต่คนที่เขาอยากแก่เขาไม่ทุกข์เขาดีใจโอ้ได้แก่ตอนเป็นเด็กๆนี่อยากจะโตใช่ไหพอได้โตขึ้นมาดีใจตอนนี้โตแล้ว เป็นหนุ่มเป็นสาวนะด น, นความอยากมันทำให้เราทุกข์เพราะว่าเราไปอยากเราไม่อยากให้มันเกิดเช่นไม่อยากให้ร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บมันก็เลยทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมานี่คือสาเหตุก็คือความอยากนี้เรา อีกคู่หนึ่งคู่ที่สองในอริยสัจสี่หนึ่งสองคืออริยาาสัจข้อที่หนึ่งถ้าข้อที่สองนี้เป็นฝ่ายทุกข์คือสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาแล้วอริยาาสัจข้อที่สาที่สคือนิโรธการดับทุกข์ได้มก คือเครื่องมือที่ใช้ในการดับทุกข์เนี่ยพอพอมีมัคคือมีเครื่องมือมัคคืออะไรมัค ก, ก็คือปัญญานี่เอง <Yeah. S 1> พอมีปัญญา <Yeah. S 1> เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเราไม่สามารถไปสั่งมันได้ <Yeah. S 1> อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เราสั่งมันไม่ได้ <Yeah. S 1> ถ้า yeah. ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ทุกข์แต่ถ้าเห็นด้วยความปิงว่าไม่มีใครสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็หยุดสั่งมันเสียหยุดอยากเสียปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่เรียกว่ามรคมรคคือปัญญา มักคือสติสมาธิก่อนที่จะใช้ปัญญามาพิจารณาเพื่อถอดถอนความทุกข์ถอดถอนความอยากได้ต้องมีสมาธิก่อนใจต้องสงบใจต้องมีความสุขก่อนถึงจะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้มาให้ความสุขกับใจว่าสิ่งที่ อยากได้มาให้ความสุขกับใจนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปสู้อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่มีอะไรอยู่กับความนิ่งเฉยเฉยอันนี้เป็นฝ่ายฝ่ายมรรคฝ่ายดับทุกข์อริยสัจสีนี้มีสองฝ่ายฝ่ายสร้างทุกข์กับฝ่ายดับทุกข์เป็นคู่ต่อสู้กัน ถ้าฝ่ายสร้างทุกข์คือกิเลสคือความอยากมันมีกำลังมากกว่าฝ่ายดับทุกข์คือมรรคคือสติปัญญาความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาถ้าฝ่ายดับทุกข์มีกำลังมากกว่าถ้าสติปัญญามาทันสอนให้เลิกความอยากได้ความอยากดับปับ๊บความทุกข์ก็หายไป เหมือนกับเวลาไฟไหม้เวลาไฟไหม้ก็ต้องมีน้ำมาดับเพลิง ม, มาดับไฟถ้าไฟมันแรงกว่าน้ำไฟมันมากกว่าน้ำก็ดับไม่ได้ถ้าน้ำมากกว่าไฟมันก็ดับได้ฉันใดความทุกข์ใจและการดับทุกข์ในใจของพวกเรานี้ก็อยู่ที่สองฝ่ายนี้เองฝ่ายที่สร้างทุกข์ก็คือความอยากตา่าง ดับไฟที่จะดับทุกข์ก็คือสติปัญญาความสามารถที่เห็นใจรักได้เมื่อไหร่ถ้าเห็นใตรักเห็นทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้เมื่อไหร่เราก็จะหยุดความอยากได้ทันทีหรือเห็นส่วนที่เราไม่ปรารถนาในส่วนในสิ่งที่เราอยากได้เป็น <Yeah. S 1> เราเห็นคนที่สวยที่หลอ่อแล้วเราก็อยากได้เขามาเป็นแฟน ถ้าเรามองกับมุมกลับน้ามองเข้าไปข้างใต้ผิวหนังของเขาไปเห็นอาการต่างๆใต้ผิวหนังเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะเห็นอวัยวะต่างๆเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นหัวใจเห็นสมองถ้าเราเห็นอาการเหล่านี้ความอยากที่จะได้เขามาเป็นแฟนก็ไม่มีนะ หรือถ้าเห็นเขาตอนที่เขาตายไป เ, ยเวลาเขาตายไปนี่เรายัางอยากจะให้ได้เขามาเป็นแฟนนะคนที่เป็นแฟนเราเนี่ยพอตายไปนี่เรายัางอยากจะให้เขาอยู่กับเรารูป้ปะพอไม่มีลมหายใจนี่เรายกให้สับปเปลเรได้เลยแต่ก่อนที่ยังไม่หมดลมหายใจนี่ใครมาแตะไม่ได้เนะพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญากัน ไม่ได้คิดว่าเรากาลังห่วงศพกันห่วงสรากศพกันนักสรากศพกันต้องให้มันเป็นสร้างศพขึ้นมาก่อนถึงจะเห็นถ้ายังไม่เป็นสรากศพนี้มองไม่เห็นเพราะไม่ใช้ปัญญาสอนใจปัญญานี้สามารถมองอนาคตได้มองว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของพวกเราทุกคนมองเข้าไปภายใต้ผิวหนังของร่างกายของพวกเราได้ ทำให้พวกเราเห็นอวัยวะต่างๆที่ไม่น่าสวยไม่น่าดูไม่น่าชมเลยหรือมองอนาคตของร่างกายว่าต่อไปก็ต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายถ้าเราไปจีบแฟนแล้วเขาเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี่เราจะเอาเข้ามาเป็นแฟนไมไม่เอาแต่ไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีต่อไป ในอนาคตเนี่ยนี่แหละคือปัญญาปัญญาต้องมองให้รอบคอบมองทั้งอดีตมองทั้งปัจจุบันมองทั้งอนาคตถึงจะเรียกว่าปัญญาอดีตก็เป็นทารกนเองร่างกายออกมาจากท้องแม่ปัจจุบันก็เป็นที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้วอนาคตต่อไปก็ต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตาย หรือมองเข้าไปข้างในอันนี้ก็เป็นปัญญาไม่ใช่มองแต่เพียงข้างนอกต้องมองทั้งข้างนอกมองทั้งข้างในของร่างกายั้งนอกของร่างกายดูสวยงามแต่ข้างในของร่างกายนี้ไม่มีอะไรน่าดูเลยนี่คือปัญญาที่เราต้องมาฝึกฝนอบรมกันมาสร้างขึ้นมา ด้วยการมันดเลึกถึงมันอยู่เรื่อยๆคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆทั้งร่างกายของเราทั้งร่างกายของคนอื่นคิดถึงส่วนข้างในของร่างกายการร่างกายมีอวัยวะน้อยใหญ่มีลำไส้มีตับมีไตมีน้าเลือดน้าเหลืองอะไรต่างๆทรงกลิ่นเหม็นอนะ่ะนี่คือสภาพของร่างกายที่เราไปหลงรักไปชอบ ถ้าใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาคิดอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาจะไปรักร่างกายของใครนี้ก็จะถอยทันทีพอปัญญามาปับ๊บพอเห็นข้างในปับ๊บเห็นตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายปับ๊บไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวต้องกลายเป็นคนพยาบาลแต่ต้องไปคอยเลี้ยงเขาเลี้ยงดูเขา เกิดไปแต่งงานกับเขาไม่กี่เดือนเกิดเข า, ปาเป็นอมภพกรรมาพาดขึ้นมาทำไงยังจะอยู่กับเขาต่อไปหรือเปล่าจะเลี้ยงเขาไปจนวันตายหรือเปล่าไม่คิดกันเนะนี่นี้คือปัญญาสติปัญญาถ้ามีสติปัญญาเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งที่เรา อยากได้มาให้ความสุขกับเรามันเราก็จะเห็นความทุกข์ของสิ่งที่เราอยากได้กันพ <Yeah. S 2> อเราเห็นความทุกข์จากสิ่งที่เราอยากได้กันเราก็ไม่อยากได้ซึ่งอยู่คนเดียวดีกว่า <Yeah. S 2> ต่อไปจะไม่รู้สึกเหงาเลยพอไม่มีความอยากจะมีแฟนนะัดที่อยู่คนเดียวจะไม่เหงาเลย <Yeah. S 2> ตอนนี้ที่มันเหงาก็เพราะมันมีความอยากมีแฟน yeah. ความอยากมีแฟนเกิดขึ้นมาความเหงาความว้าเหวมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่มีความอยากมีแฟนแล้วไม่มีความเหงาไม่มีความว้าเหวอยู่คนเดียวไปได้อย่างสบายสุขสบายกว่าอยู่กว่ า, าการมีแฟนมีแฟนก็ต้องมาทุกข์กับแฟนมาต้องห่วงต้องห่วงแฟนแล้วก็ต้องมากังวล และบางทีก็ต้องมามีเรื่องมีราวกันมาทะเลาะกัน mm hmm. เพราะมีความเห็นไม่ตรงกัน mm hmm. คนหนึ่งอยากจะไปเที่ยวอีกคนหนึ่งอยากจะอยู่บ้านดูทีวี mm hmm. เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน mm hmm. เดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ mm hmm. ต้องแยกทางกันอยู่ด mm hmm. นีนี่คือปัญญาต้องมองภาพรวมอย่ามองแต่เฉพาะกิจ มองแต่เฉพาะส่วนที่เราอยากมองโอ๊ยเขาสวยเขาดีเขางามเขาจะเลี้ยงเราเขาจะรักเราไปจนวันตายที่ไหนได้บางทีเมื่อเข้ายังไม่ทันดำเลยะขึ้นเวทีกันแล้วะยับซ้ายยับขวากันแล้วะต้องมองให้เห็นความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีปนกันมามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปนกันมา เราพร้อมที่จะรักความทุกข์จากสิ่งที่เราได้มาหรือไม่ถ้าไม่พร้อมก็อย่าไปมีมันดีกว่าต่อไปเราก็จะไม่อยากมีอะไรเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกข์เพราะว่ามันจะไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลานั่นเอง ัต้องเห็นอ น, นิจจังเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนอนัตตาไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราอให้คิดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาแล้วพอเกิดความอยากได้อะไรขึ้นมาปัญญาก็จะมาบอกเป็นทุกข์นะไม่เที่ยงนะเป็นอนัตตานะพอพอพอเห็นว่าเป็นทุกข์ปั๊บความอยากก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปน เวลาเราอยากปั๊บนี่เราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเห็นของอะไรที่เราอยากได้ปั๊บนี่ใจจะกะวลกะวายกะสับกะสายจะไม่มีความเป็นปกติเราก็เลยไปหลงคิดว่าเราต้องได้มาแล้วเราถึงจะหายเราถึงจะมีความสุขมันก็เป็นจริงอย่างนั้นพออยากได้อะไรพอไม่ได้ตอนต้นก็กระสับกระสาย พอได้มาก็ดีใจมีความสุขใจแต่มันเป็นความดีใจสุขใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวต่อไปสิ่งที่ได้มามันก็ไม่มีความหมายอีกแล้วความสุขที่ได้จากมันก็เหมือนจางหายไปแล้วถึงแม้ยังจะมีมันอยู่มันก็ไม่สุขเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆมันก็ทำอยากจะมันก็จะทำให้เราอยากได้ของใหม่อีกก็เราจะได้มีความสุขแบบที่เราได้อีก มันก็จะเป็นอย่างนี้หลอกเราไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดและพอไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ก็จะทุกข์ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากได้ดีกว่า uh huh. ความอยากมันเป็นทุกข์ต้องฝืนความอยากอย่าไปทำตามความอยาก uh huh. แล้วต้องเห็นวิธีจะฝืนความอยากได้ก็คือต้องเห็นว่าสิ่งที่เราได้มามันเป็นความสุขเดียวๆเดียเด๋ยวมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ ให้กับเราเนี่ยคือปัญญาคู่ต่อสู้กับความอยากคือการเห็นใจรักต้องพยายามเห็นใจรักอยู่เรื่อยๆต้องเห็นส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมเช่นร่างกายก็ต้องดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามอย่าไปดูแต่ส่วนที่สวยงามเพียงอย่างเดียวอย่าไปดูตอนที่มีชีวิตชีวาดูตอนที่แข็งทื่อเป็นซากศพดูบ้างเป็นอย่างไร หรือดูตอนที่ศพมันเน่าเปื่อยขึ้นมาอืดพองขึ้นมาเราจะต่อให้เป็นดาราภาพยนตร์ในแบบนางแบบระดับอินเตอร์หรือระดับอะไรก็ตามพอเป็นอืดเป็นพองขึ้นมาไม่มีใครเอาไปเป็นนายแบบนางแบบนะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ถาวรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอน นี่แหละคือการตัดสล้ของพระพุทธเจ้า mm hmm. พระพุทธเจ้าในที่สุดก็ละความอยากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ละการหาความสุขจากการมีจางการเป็นได้ละความทุกจากการหาจากการไม่มีไ ม, ไม่ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ ใจของพระเจ้าก็เลยอยู่แบบอิสระไม่มีอะไรมากดดันไม่มีอะไรมาผลักดันให้ไปหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายต่อไปหรือผ่านทางจิตใจนอกจากร่างกายแล้วความสุขที่เราได้จากสมาธินี้ก็ยังถือว่าเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่เหมือนกันเป็นความสุขที่ไม่เป็นอนิจจังเหมือนกั น, นเวลาเราเข้าสมาธิก็มีความสุข พอออกจากสมาธิมาสมาธิหมดไปความสุขนั้นก็หมดไปแม้แต่สมาธิที่เราใช้ให้ความสุขกับเราเราก็ต้องละในบ้านปลายก็เพื่อะเพื่อที่เราจะได้มีความสุขแบบถาวรคือความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากเราต้องละการหาความสุขจากทางร่างกายทางตาหูจมูกมืนกายแล้วละ การหาความสุขจากรูปประจานรและอารูปประจานพอเราละทั้งสามอย่างนี้ได้แล้วใจของเราก็จะมีความสุขโดยอัตโนมัติเพราะตัวที่มาขวางความสุขที่มีอยู่ในใจของพวกเราก็คือความอยากทั้งสามนี้เองพอความอยากทั้งสามนี้ถูกทำลายไปหมดด้วยปัญญาไม่ด้วยการไม่ปฏิบัติตาม อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็ไม่หาอยากจะหาความสุขจากรูปประชานก็ไม่หาอยากจะหาความสุขจากกระลูกประชานก็ไม่หา mm hmm. พอไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆใจก็เฉยใจก็สงบใจก็สบายส mm hmm. ังเกตดูเวลาใจมีความอยากกับอะไรนั้นใจกระวลกระวยขึ้นมาอยากสูบบุหรีน่นี่ใจก็กังวน ก, กังวลขึ้นมา อยากดื่มกาแฟอยากดื่มสุราเนี่พออยากแล้วไม่ได้ดื่มใจก็จะกระวนกระวายกระสับกระสายแต่ถ้าเลิก อ, อยากได้ไม่ดื่มมันวะไม่สูบมันบุหรี่ไม่สูบกาแฟไม่ดื่ ม, มดื่มมันมันต้องติดเป็นเป็นท่าของมันต้องคอยหามาดื่มอยู่เรื่อยๆมไม่ดื่มมันดีกว่า<ม>อยู่เฉยๆดีกว่า<ม>พอเราอยู่เฉยๆปั๊บเดี๋ยวความอยากมันก็จะหยุดเอง พอเราไม่ทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็จะหยุดเองพอเราเปลี่ยนใจรับเปลี่ยนจากอยากมาเป็นไม่อยากปับความกังวลกวายก็สับกระส่ายก็จะหายไปใจก็จะเย็นจะสบายไปอันนี้เป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่ได้จากการข่มใจด้วยสติเพื่อให้ได้รูปประชานเลื่อรูปประชานเป็นความสุขที่ได้จากการใช้ปัญญา รั ง, งับความอยากต่างๆอันนี้เป็นความสุขที่ถาวรเพราะว่าเมื่อได้ความสุขกันนี้มาแล้วมันจะไม่หายไปเพราะตัวที่มาขัดขวางความสุขนี้มันถูกทำลายไปนั่นเองคือความอยากต่างๆพอความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราถูกทำลายไปหมดใจของเราก็จะสุขไปตลอดเวลา ความส mm ุขตลอดเวลานี่แหละที่เรียกว่านิพานนิบานังปรมังสุขังตอนนี้บานังปรามังสูญอย่างเพราะว่าสูญจากความอยากนั่นเองสูญจากความอยากทั้งปวงใจที่สูญจากความอยากทั้งปวงแต่เจะเป็นใจที่มีบารมมาสุขนิบานังปรมังสุขังใจที่มีบารมมาสุข เพราะเป็นใจที่เป็นประมังศูนย์อย่างเป็นใจที่ศูนย์จากความอยากทั้งปวงไม่มีความอยากอ ย, กอยู่ในใจไม่มีความอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้แล้วหลังจากนั้นก็ทรงนำเอามาสอนครั้งแรกที่นำเอามาสอนก็คือวันอาสาหะบูชานี่ จะมาถึงนี้อีกสองวันข้างหน้าคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปอริยสัจสี่ในวันเพ็ญเดือนหกหลังจากที่ได้ตัดสรุปใหม่ๆตอนต้นก็มีความสุขอยู่กับวิมุตติสุขได้มีความสุขจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีความสุขกับพระนิพพานกับบาลมมสุขกับปรมังสุขขัง ก็เลยเพิดเพลินอยู่ระยะหนึ่งแล้วต่อมาก็เริ่มคิดถึงสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ภายใต้กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนอนต้นก็มีความท้อใจไม่อยากจะสอนเพราะไปมองเห็นกลุ่มสัตว์โลกกลุ่มที่สอนยากคือพวกที่อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้ไกายกัน ก็เลยเบื้องต้นก็เลยมีความท้อแท้ไม่อยากจะสอนแต่หลังจากได้วิเคราะห์ได้พิจารณาสัตว์โลกคนชนิดต่างๆก็เห็นว่ามีคนหลายชนิดด้วยกันคนที่สอนง่ายก็มีคนที่สอนยากก็มีคนที่พร้อมที่จะรับทำก็มีคนที่ยังไม่พร้อมก็มีก็เลยแบ่งคนไว้เป็นบัวสี่เหล่าเป็นสี่กลุ่มด้วยกันคะ คนที่พร้อมที่จะรับธรรมได้ทันทีเป็นกลุ่มแรกคือพวกนักบวชทั้งหลายพ ร, พ, รออรพร้อมเพราะอะไรเพราะเขามีมรรคเกือบสมบูรณ์แล้วเขามีศีลเขามีสมาธิแล้วแต่เขาขาดปัญญาคือความรู้ในอริยสัจสี่นี่งถ้าไปสอนพวกนี้ปั๊บพวกนี้เขาก็จะบรรลุได้ทันทีตัดสรลุบรรลุทําได้ทันที นี่คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองคือพวกที่มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธเิเป็นพวกนักบวดรุ่นใหม่เป็นผู้เ่มบวชใหม่มาฝึกมหัดสมาธิตรงนี้ก็ต้องใช้เวลามากหน่อยต้องสอนขั้นสมาธิก่อนแล้วถึงจะสอนขั้นปัญญาต่อไปได้พวกที่สามก็คือพวกที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชยังไม่ได้รักษาศีลอย่างจริงจัง รักษาได้ก็แค่ศีลห้าคือญาติโยมผู้ครองเอนแต่เป็นพวกที่มีใจบุญใจกุศลเชื่อบุญเชื่อบาปเป็นพวกที่อยากจะพ้นทุกข์แต่ยังไม่มีกําลังพอก็ต้องมาสอนวิธีเสริมกําลังให้มีให้รักษาศีลแปดให้ได้ก่อนแล้วก็สอนให้ฝึกขัดสมาธิแล้วค่อยๆสอนปัญญาต่อไป ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามส่วนกลุ่มที่สี่นี้เป็นพวกที่ไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องศีลเรื่องธรรมตรงนี้จะสนใจแต่เรื่องอบายามุขสนใจแต่เรื่องการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยอบายามุขชนิดต่างๆเรื่องการพนันเที่ยวกลางวันเที่ยวกลางคืนเดือดสุรายาเมา มีความเกียดข้านต ร, รงนี้สอนไม่ได้สอนธรรมะไม่ได้เขาไม่เชื่อเขาคิดว่าเป็นเรื่องโกหกก็นี่คือคนสี่กลุ่มด้วยกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาก็เห็นว่าออมีคนที่พอจะสอนได้ก็เลยเปลี่ยนใจตอนต้นคิดว่าจะไม่สอนถ้าไม่สอนก็จะเป็นพระปเจกัพบพุทธเจ้า รเราปฏิกะคือผู้ที่ตัดสิรูแล้วแต่ไม่สอนใครไม่ไม่เอาธรรมะมาสอนใครรู้คนเดียวเก็บความลับไว้เพียงคนเดียวเก็บของวิเศษไว้เพียงคนเดียวแต่ถ้ามาสอนเราก็จะเรียกท่านว่าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีศาสนาพุทธปรากฏขึ้นมาถ้ามาสอนธรรมะนี่ก็จะมีธรรมะปรากฏขึ้นมาในโลก แล้วพอมีผู้ฟังนํามาไปปฏิบัติก็จะบรรลุเป็นพระอริยสง์สาวกขึ้นมาก็จะมีพระรัตนตรัยครบองค์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์ก็ถือว่ามีพระพุทธศาสนาแล้วมีพระพุทธศาสนาก็จะอยู่ไปได้ยาวล้เพราะถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะสิ้นพระชนไป ก็ยังมีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์สาวกมาทำหน้าที่แทนได้แล้วพระอริยสงฆ์สาวกก็จะมีมาแทนกันอยู่เรื่อยๆองค์นี้ตายไปเดี๋ยวก็มีองค์ใหม่มาแทนที่ถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ก็จะมีพระอริยสงฆ์สาวกมาทำหน้าที่เอาธรรมะอันประเสฐนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกอยู่เรื่อยๆ ศาสนาพุทธก็จะอยู่ไปได้เรื่อยๆแต่มันก็จะต้องมีวันหมดเหมือนกันเพราะว่าศรัทธาของผู้ที่จะมีต่อศาสนาพุทธก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปเพราะผู้ที่มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติจำนวนที่จะบรรลุก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับตามความสามารถก็จะมีน้อยลงคนที่จะสามารถมาบวชมาปฏิบัติ มาบารรลุธรรมมาเผยแผ่ธรรมนี่ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆก็คนที่ศรัทธาก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเหลือแต่เปลือกของศาสนาก็มีศรัทธามีกำลังแท้ทำบุญทำทานสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างถาวรละวัตถุ ต, ต่างๆแต่ไม่มีกำลังที่จะศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม ทำได้แค่แคเพียงอามิสบูชาแต่ไม่สามารถปฏิบัติบูบชาได้อามิสบูชาก็คือเนี่ยการสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆถาวรลวัตถุต่างๆเรียวกว่าเป็นอามิสบูชาอามิสบูชานี้ไม่สามารถทําให้หลุดพ้นจากกองทุกขได้ไม่สามารถทําให้บรรลุถึงพระนิพพานได้ แต่บรรลุถึงพระนิพพานได้จะต้องเป็นปฏิบัติบูบชาจะต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลก็ตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดถึงจะมีกําลังไปภาวนาไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้พอใจสงบถึงจะสามารถสอนให้เห็นอริยสัจได้พออริยสัจอยู่ในใจนี้ ถ้าใจไม่สงบก็จะมองไม่เห็นเหมือนน้ำเนี่ยถ้าน้าไม่นิ่งมันก็จะขุนก็จะมองไม่เห็นตัวปลาในน้ำแต่ถ้าน้ำมันนิ่งนี่จะน้ำจะใสน้ำใสก็จะเห็นตัวปลาอันนี้ใจของเราก็เป็นเหมือนน้าเนี่ยใจถ้าของเราไม่สงบนี้มันจะขุ่นมัวมันจะขุนมัวด้วยอารมณ์ต่างๆทำให้ไม่สามารถมองเห็นอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของเราได้ ถ้าเราไปทําสมาธิทําใจให้สงบทําใจให้ใสเราก็จะเห็นทุกเวลาเกิดขึ้นมาเราก็จะเห็นเหตุที่ทําให้ใจเราทุกเกิดขึ้นมาคือความอยากต่างๆแล้วถ้าเรามีปัญญาของพระพุทธเจ้า ม, มาสอนใจไว้ก่อนมีเห็นใจรักเห็นอะไรขึ้นมาพอ เ, เกิดความอยากปั๊บอยากได้อะไรเราก็จะเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นทุกข์ทันทีเป็นใจรักษทันที พอเห็นว่าเป็นตายรักปั๊บเราก็หยุดความอยากได้หรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามตามที่เราคิดเราเห็นภายนอกว่าสวยงามเห็นตอนที่มีชีวิตอยู่ว่าสวยงามแต่พอไปมองตอนที่ตายไม่สวยงามนะพอมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังไม่สวยงามนะความอยากได้คนนั้นมาเป็นแฟนก็จะหายไปอันนี้ต้องอาศัยใจที่สง บ, บใจที่สะอาดใจที่ใส ถึงจะสามารถใช้ปัญญาได้ถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่เช่นนั้นล้วถ้าใจไม่ใสไม่สงบนี้จะถูกความอยากต่างๆหลอกใจให้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายนอกใจผ่านทางร่างกายดังนั้นผู้ที่จะเข้าสู่ขั้นปัญญาได้จริงๆถึงจะต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนต้องทำใจให้ใสก่อน ถึงจะเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากที่มีอยู่ในใจได้แล้วถึงจะสามารถกำจัดนิโรธกำจัดกำจัดสมุทัยคือความอยากต่างๆได้ด้วยใจรักษด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าพอกำจัดความอยากได้ปั๊บนิโรธคือความดับของทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทันทีพอทุกข์ดับความสุขก็เกิดขึ้นมาแทนที่เป็นปามังสุขขังขึ้นมาต่อไป น, นี่แหละคือเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมเนการฟังธรรมนี้เป็นเบื้องต้นเป็นขั้นตอนที่หนึ่งฟังแล้วขั้นตอนที่สองก็คือต้องนาเอาไปปฏิบัติสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือมรคนี่เองเพราะเราไม่ไม่มีมร ก, กันไม่มีเครื่องมือมาต่อสู้กับความอยากกันไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา เราก็เลยต้องมาสร้างศีลเพื่อจะได้สมาธิเมื่อได้สมาธิเราก็จะได้สร้างปัญญาต่อไปได้พอได้ปัญญาปับ๊บทีนี้พอเห็นเห็นอะไรอยากได้อะไรปัญญาก็จ ะ, ะบอกว่าเป็นไตลักษ์ทันทีเป็นดาสุภะ ท, ทันทีพอเห็นอย่างนั้นปับ๊บก็ไม่อยากต่อไปความอยากาต่างๆก็จะหายไปหมดมีเกิดจากการศึกษาเบื้องต้น ศึกษาว่าเราต้องทำอะไรเมื่อรู้ว่าเราต้องทำอะไรเราก็นำมาไปปฏิบัติต้องสร้างศีลขึ้นมาศีลห้าศีลแปดต้องภาวนาพุทโธ ท, ทงใจให้สงบแล้วก็ต้องหมั่นพิจารณาอนิจจังทุกขงังอนัตตาหมั่นพิจารณาอสุภะหมั่นพิจารณาของที่เป็นอาหารที่เป็นปฏิกูลเพื่อจะได้ไม่ติดอาหารไม่ติดคน ไม่ติดกับอะไรไม่อยากกับอะไรพอเราสามารถปฏิบัติได้แล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในใจของเราก็จะหมดไปแล้วสิ่งที่จะโผล่ขึ้นมาก็คือบรมมังสุขบาลมังสุขขังนี่นี่คือเรื่องราวของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามาศึกษากันศึกษาเรียกว่าปริยัติธรรม มาศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติแล้วก็จะได้ปริยัตปฏิบัติได้ปฏิเวทตามมาปฏิเวทก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองอย่างนั้นขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วนําเอาไปปฏิบัติ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยัาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาขังเอวามีวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปัธิตังตุมหังคิดป้าเมวาสนิจฉะตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉะตุสัพพารโวีนัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะ อภีวาธนสีลิศานิจังวุธาปจายโนจัตตารธรมมวาทานติอายุวโนโอสุขังภาลังวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่เจ้าค่ะวันนี้ทางเฟ e บุ o k พระอาจารย์358้อยห้าสิบปด เฟซบุ๊กพอจอห้าสิบเจ็ดยูทูบสอง้สสิบสี่เดดีโอหกซูมสิบผู้รับฟังที่กุติสามสิบสามรวม ท, ทั้งสิ้นเจ็ดร้อยแปดท่านค่ ะ, ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยใครอยู่ที่นี่อยากจะถามก็เข้ามาถามได้นะแล้วเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ มีคำถามฝากถามเจ้าค่ะพอดีพระอาจารย์ดิฉันให้โจทย์มาพิจารณาว่าทำยังไงให้จิตเข้าถึงสมมติบัญญัติได้ทุกๆครั้งที่เราเกี่ยวข้องกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดิฉันพิจารณามาสักพใหญ่ๆคะ่ะแต่มันยังมาไม่สุดทางคือดิฉันก็สอบถามอะไรจากพระอาจารย์ดิฉันมามาก ครั้งนี้ท่านได้ค้นคว้าจากผู้รู้หลายๆท่านค่ะคือจิตยังวางไม่ได้ค่ะตอนนี้เท่าที่ท่านผู้รู้หลายๆท่านแนะนํามาท่านให้ทําดังนี้ข้อ1เจริญสติทั้งวันหรือให้ได้มากที่สุดสังเกตรับรู้อารมณ์เกิดดับจิตจะชินไปเองแล้วปล่อยวางได้ข้อที่สองพยายามคิดหาเหตุผล คิดหาอุบายมาบอกจิตหลังออกจากฌานว่าทุกๆุกอย่างที่รับรู้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นเรื่องไม่สำคัญดิฉันทาทั้งสองอย่างควบคู่กันค่ะแต่มันยังไม่ถึงที่สุดดิฉันขาดส่วนไหนบ้างหรือเปล่าเจ้าคะก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงอันนี้จังเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับทุกเสียงทอย่างมีการเกิดแล้วก็มีการดับ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีตัวตนทำมาจากดินน้ำลมไฟธาตุสี่ทั้งนั้นทุกอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นธาตุทั้งนั้นร่างกายของเราก็เป็นธาตุเครื่องใช้ไม่สอยก็เป็นธาตุเป็นธาตุดินบ้างบางส่วนก็เป็นธาตุมีทั้งดิน ท, งงทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟเช่นร่างกายของเราต้นไม้ก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟทุกอย่างที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี้ มันมามันมาจากดินน้ําลมไฟแล้วเดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟไปให้เห็นเนี้ยแล้วนี่แหะคือสมมติบัญญัติแล้วเรามาสมมุติว่ามันเป็นคนเป็นเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็เป็นดาราเป็นอะไรต่อไปนี่เป็นสมมุติที่เราไปสมมุติแปะป้ายไว้ที่ตัวดินน้ําลมไฟแร้มาเรายังไปตั้งชื่อให้มันเลย มันเกิดมามันมีชื่อหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีชื่อเราไปตั้งชื่อมนันเองตอนนี้ต้นมะม่วงต้นมะละก อ, อะตั้งคนไปสมมุติทั้งนั้นความจริงมันแค่ดินน้ําลมไอรวมตัวกันขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้มันเป็นอะไรต่างๆกันไปเรื่องที่สองค่ะมีครูบาอาจารย์บางท่านบอกให้ทําเฉพาะข้อหนึ่งแล้วหยุดคิดพราะความคิดไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานเจ้าค่ะ เวลาทำสมาธิก็ต้องหยุดคิดแต่พอจะทำปัญญาต้องคิดไม่ไม่คิดแล้วจะไปสอนเราได้ยังไงเราต้องใช้เอาความคิดมาสอนแต่ความคิดต้องเป็นความจริงตรงกับความจริงถึงจะเป็นปัญญาความคิดที่ตรงกับความไม่จริงก็เป็นเป็นอวิชชาเป็นโมหะถ้าไปคิดว่าเราเป็นนายกนายขอเป็นลูกของคนนั้นลูกของคนนี้อันนี้แหละเป็นโมหะอาวิชชา มันไม่จะเป็นความจริงความจริงเราคือเราเป็นดินน้ำลมไฟหรือเราเป็นจิตใจมาครอบครองร่างกายที่เป็นดินน้ำลมไฟนี่คือความคิดที่จริงมันเป็นแค่นี้แต่เราไม่มีใครสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมพอ เ, เกิดมาก็ตั้งชื่อเราก่อนเลย <S <S เราชื่อดาวชื่อแดงชื่อดำแล้วเราก็ใครดาวดาวหน่อยก็โกรธขึ้นมาแล้วใช่ไมเป็นจะ มันไปนด่าวชื่อแล้แลวเราก็ไปติดกับชื่อว่าเราคิดว่าเราเป็นชื่อไปซะอีกเราเป็นดินน้าลมไฟเราเป็นใจแล้วร่างกายก็ไม่ใช่เราใครด่าร่างกายใครตีร่างกายจริงๆมันก็ไม่ใช่มันมาตีเราเหรอกมันก็ไปตีร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้ใช้ร่างกายเราไม่ได้โดนตีเท่าไหรแต่เราก็ไปเจ็บใจแทนร่างกายเจ็บกายแล้วไม่พอต้องไปเจ็บใจอีกเจ็บสองเดงเนี่ย แต่ถ้าคนไปคนฉลาดก็มีปัญญาก็เจ็บเด้งเดียวเพราะโลกภราณะก็ยอมให้ร่างกายของท่านตายไป ใ, ให้เขาฆ่าแต่ใจท่านไม่เจ็บใจท่านเฉยเฉยเพราะท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นร่างกายท่านเป็นใจผู้รู้ผู้คิดนี่คือวิปัสสนาต้องคิดปัญญาต้องคิดอยู่ดีๆมันไม่โผล่ขึ้นมาเอง บางคนคิดว่านั่งสมาธิจิตสงบแล้วปัญญาจะโผล่ขึ้นมาไม่โผล่แต่ต้องมีสมาธิเป็นเครื่องช่วยทําให้เราเห็นปัญญาเพราะเวลาจิตไม่สงบนี้จิตมันฟุ้งซ่านวุ่นวายมันคิดไม่คิดไม่ออกสังเกตเดียเวลามีปัญหาบางทีนี้แก้ไม่ได้แต่พอไปพักผ่อนหลับนอนสักพักกลับมาดูปัญหาใหม่พอตื่งขึ้นมาอารมณ์วุ่นวายใจต่างๆหายไปก็เห็นวิธีแก้ปัญหาได้ เห็นการจะใช้ปัญญานี้จะต้องใช้ต้องมีใจที่สงบเยือเกเย็นใจที่ใสเบิกบานถึงจะแก้ได้ถึงจะเห็นความจริงคำถามฝากถามเจ้าค่ะถ้าพ่อทิ้งตั้งแต่เป็นเด็กส่วนแม่เสียชีวิตตั้งแต่ถึงเด็กเช่นกันแต่โตมาเพราะญาติผู้ใหญ่ฝั่งแม่เป็นคนเลี้ยงดูเมื่อโตขึ้นมีงานมีการทำ ดิฉันจะขอดูแลเฉพาะคนที่เลี้ยงมาไม่สนใจพ่อและย่าจะเป็นการทำบาปต่อพ่อที่กําเนิดหรือไม่เจ้าคะก็ไม่ได้เป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านเพราะว่าถึงแม้ท่านจะไม่ได้เลี้ยงเราท่านก็ให้กําเนิดกับเราท่านเป็นคนสร้างเราสร้างร่างกายให้กับเราท่านก็มีบุญคุณกับเราเพราะถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่มีเรา งั้มันก็ต้องมีสองส่วนพ่อแม่ที่ให้กําเนิดแล้วก็พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเราบางทีก็เป็นคนเดียวกันพ่อแม่ที่ให้กําเนิดก็เลี้ยงดูลูกมาบางคนก็เป็นสองคนพ่อแม่ให้กําเนิดแล้วก็ฝากให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงดูแทนอันนี้ปู่ย่าตายายก็เลยกลายเป็นพ่อแม่เลี้ยงดูส่วนพ่อแม่ที่ให้กําเนิดก็คือพ่อแม่ที่ให้ร่างกายเราเราก็เป็นนี่บุญคุณท่านทั้งสองทั้งสอง คนที่ให้กำเนิดเราก็ต้องทดแทนบุญคุณคนที่เลี้ยงดูเราเราก็ต้องทดแทนบุญคุณถ้าเราอยู่ในฐานะที่เราทำได้ถ้าเรายังทำไม่ได้ก็ mm hmm. ก, ก็รอไว้ก่อนติดไว้ก่อนขอติดไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีเงินจ่าย mm hmm. ขอรอให้รวยก่อนหรือมีมีกำลังที่จะช่วยได้ก่อนก็จะช่วย mm hmm. แต่ถ้าไม่หวังอะไรตอบแทนจากเราหรอกพ่อแม่กับกับคนที่เลี้ยงดูเรา เขาทำไปตามหน้าที่ของเขาเขาเมื่อเขาผลิตลูกออกมาเขาก็ต้องเลี้ยงลูกไปตามสัญชาติยานของของมนุษย์เนี่ยของสัตว์แม้แต่สัตว์มันยังเลี้ยงลูกมันเลยใช่มังนั้นมันเป็นเรื่องที่เขาทำกันแต่เขาไม่ได้หวังบุญหวังคุณจากเราเหรอกแต่การมีสำเนีองในบุญคุณของเราเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีของเราว่าเราเป็นคนดี เรารู้จักบุญคุณของผู้อื่นและเรารู้จักตอบแทนบุญคุณเขามันจะทําให้เราเป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีใครที่รู้ว่าเราเป็นคนกตันอยูเขาจะรักเราจะชอบเราก็าไม่นําเกียรติแต่ถ้าเราเป็นคนอ่กตันอยู่นี่คนจะไม่ค่อยอยากจะคบค้าสมาคมกับเราคําถามจากทาง Facebook ค่ะจากคุณเพชรน้ำหนึ่งขอโอกาสครับ รู้สึกว่าอารมณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในจิตดับไวมากครับเป็นมาสักพักใหญ่ๆเกิดจากอะไรครับรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมครับคือมันจะเกิดจากอะไรไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเราทำยังไงกับมันเราดีใจเสียใจหรือเปล่าหรือเราเฉยทางทางทำนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือเฉยอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจ ดีใจก็ทุกไปอย่างทุกเพราะอะไรเพราะเวลามันหมดไงเวลาเราได้อะไรมาเราดีใจพอมันหมดไปเราก็เสียใจ mm hmm. เสียใจก็ก็ทุกทันทีเวลาได้ยินเสียงใครด่าปั๊บก็เสียใจก็ทุกทันที mm hmm. เวลาใครชมมก็ดีใจก็ mm hmm. ก็สุขแต่เดี๋ยวก็ทุกพอเขาไม่ชมเราเมื่ อ, อไหร่ก็ทุกขึ้นมาทันที mm hmm. ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจเ mm hmm. ฉยเฉย เหมือนกับว่าไม่เคยได้ยินเสียงเขามาก่อนเหมือนตอนนี้เราไม่ได้ยินใครด่าเราเราก็ไม่เสียใจไม่ได้ยินใครเข้าชมเราเราก็ไม่ดีใจเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็อยู่ได้เราั้นเวลาใครมาชมเราเราอย่าไปดีใจเพราะดีใจแล้วมันติดจะ ใ, ให้เขาชมอยู่เรื่อยๆพอเขาไม่ชมขึ้นมาก็เสียใจขึ้นมาทันทีนนนนคาถามจากทาง facebook ค่ะทุกมากเจ้าค่ะทาอย่างไรดีเจ้าคะ ก็หยุดมันสิทุกข์มันเกิดจากใจของเราเองเกิดจากความอยากเจเกิดจากความไม่สงบเบื้องต้นก็ใช้วิธีหยุดความคิดก่อนเพราะความคิดเป็นตัวทำให้เราทุกข์ด้วยการท่องพุทโธไปหรือท่องบทสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้เราคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ตอนนี้เราทุกข์กับเรื่องเงินเดือนบ้างทุกข์กับงานบ้างทุกข์กับแฟนบ้างทุกข์กับลูกบ้างทุกข์กับอะไร พอเรามาพุโทโธพุธโทโธบวสว ด, ดมนต์เราก็จะลืมไปพอลืมไปความทุกข์มันก็หายไปแต่มันหายไปชั่วคราวพอเรากลับไปคิดใหม่มันก็จะทุกข์อีก mm hmm. ถ้าอยากจะให้มันแบบ mm hmm. ทุกแบบไม่ทุกแบบถาวรอย mm hmm. ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ว่ามันเป็นไตรลักษณ์ hmm. ว่าเราทำอะไรไม่ได้มันเป็นอย่างนี้แหละ ถามันดีสีันไ่้เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีมันไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราเราสั่งให้มันดีไปตลอดไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราตลอดไม่ได้เั้นถ้ามันเปลี่ยนไปก็ต้องยอมรับความจริงปล่ามันเปลี่ยนไปอย่าไปอยากให้มันเป็นตามที่เราต้องการแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์คำถามจากทาง youtube ค่ะเมื่อดูลมหายใจสักพักหนึ่ง รู้สึกว่าลมหายใจหายไปต้องทำอย่างไรดีครับตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่ายังไม่มีสมาธิครับก็ใช้คาบริกรรมแทนก็ได้ถ้าดูลมไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้ า, ถ, าถ้าใจไม่คิดก็ให้ดูเฉยๆก็ได้ดูว่าตอนนี้ไม่เห็นลมแล้วไม่มีความคิดแล้วก็ดูความว่างไปก็ได้ แต่ถ้ามันคิดปั๊บก็ต้องหยุดมันถ้ามันไม่ยอมหยุดคิดก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันหรือกลับมาดูลมหายใจใหม่คำถามจากคุณวิโรธค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์หากร่างกายมีเวทนามากต้องทำอย่างไรดีครับก็ปล่อยมันสิเราไปทำอะไรมันได้ลนะ่ะเราไปสั่งให้มันหายไม่ได้นะ เมื่อสั่งมันไม่ได้เราก็ต้องหัดอยู่กับมันไปเท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นผู้รู้ก็ให้รู้เฉยๆไปแล้วใจของเราจะไม่ทรมานเมื่อใจเราไม่ทรมานแล้วความเจ็บปวดของร่างกายจะไม่เป็นปัญหากับใจที่มันเป็นปัญหาเพราะใจเราทรมานใจเราทรมานเพราะอยากให้ความเจ็บปวดของร่างกายหายไปเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าเราสั่งมันไม่ได้ กำจัดมันไม่ได้มันปวดก็ต้องปล่อยมันปวดไปเดี๋ยวมันหายเองมันไม่เที่ยงตอนนี้มันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้มันเป็นเหมือนฝนตกเนี่ยเวลาฝนตกเราเราทุกข์เพราะเราอยากจะ อ, ออกไปข้าง น, นอกไปไม่ได้แล้วเราจะทํำยังไงเมื่อไปไม่ได้ก็ อ, อยู่บ้านไปอสิเราสั่งฝนใ ห, ให้ให้ไม่ตกไม่ได้ให้หยุดไม่ได้ เหมือนการเวทนาเราก็สั่งมันไม่ได้ความเจ็บปวดของร่างกายเราก็สั่งไม่ได้เราก็หัดอยู่กับมันไปวิธีที่จะอยู่กับมันถ้ามันใจเรายังทรมานอยู่ก็คือใช้พุทโธนี่แหละท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเพราะใจมันยังมีความอยากให้ความเจ็บปวดหายไปอยู่เราต้องใช้พุทโธพุทโธเพื่อหยุดความอยากให้ความเจ็บปวดหายไปนี่หยุดพอใช้ไปพุทโธสักพักเดียวบางทีหนาทีสินาทีใจก็หายทรมาน โลง อ, อกลงใจเบา อ, อกเบาออใจขึ้นมาถึงแม้ความเจ็บจะอยู่ก็อยู่กับมันได้คยากยิ้มย่าต้องเขียนเนื้อต้องส่งไมโครโฟนไปให้ใค่ะมีไม้ไหมอยากกลาบถามว่าเวลานั่งสมาธิอะค่ะรู้สึกว่าตัวโยกในบางครั้งบางครั้งก็รู้สึกว่าเหมือนมีเข็มมาทิมเป็นเพราะใจหรือเป็นเพราะกายจ้าคะ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะใจแต่ก็เกิดจากใจใจที่ถ้าสติไม่ดีพอมันก็โยกได้อย่าตอนนี้เราไม่โยกเพราะเรามีสติแต่พอเรานั่งพอเริ่มเคิมนี่มันก็จะโยกแสดงว่าตอนนั้นสติเราอ่อนอ mm hmm. แล้วไอ้เมื่อกี้คำถามมนคําถามถามว่างไงคือบางครั้งเก็รู้สึกว่าตัวโยกบางครั้งก็รู้สึกเหมือนอมีเข็มมาทิ่มบางทีอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกของจิตอ mm ื hmm. สร้างขึ้นมาอาจจะเกิดจากการการมีอะไรของร่างกายนิดๆหน่อยๆก็ได้แต่บางทีมันมันเกิดจากจิตสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาไม่เป็นไรเวลานั่งปฏิบัติแล้วมันจิตมันมักจะสร้างอะไรมาหลอกเราให้เราเสียสมาธิฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดไม่ต้องไปสนใจพอนั่งสมาธิแล้วให้อยู่กับกะพุทธโธไปหรืออยู่กับ ก, บการดูลงแต่ร่างกายัยกเน ถ้ามีพุโทโธอยู่มันไม่โยกออย่างเราคุยกันนันนี้มันไม่โยก เ, รเพราะเรามีสติที่มันโยกเพราะเราเริ่มเคลเิ้มละเคลิ้มเราก็ต้องดึงสติกลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันก็หยุดหยุดโยกได้อย่าอย่าปล่อยมันโยกบางคนคิดว่านั่งสมาธิต้องโยกจิตถึงจะสงบ ม, ม, มีคนสอนหลายแบบด้วยกันคือตัวไม่ได้โยกเจ้าค่ ะ, คะแต แต่มีความรู้สึกว่าโยกมันเป็นที่ใจโยกอะค่<ฮ>ะถ้ารู้สึกก็เป็นใจก็ไม่ต้องไปนสนใจถ้าเป็นตัวถ้าเป็นร่างกายโยกจริงๆก็แสดงว่าสติไม่มีพอแต่ถ้าเป็นความรู้สึกว่าโยกก็ไม่ต้องสนใจเช่นบางคนเวลานั่งแล้วปั๊บหนึ่งคิว่าเอ็นไปทางซ้ายบ้างเอ็นไปทางขวาบ้างเอ็นไปข้างหน้าบ้างอันนี้เป็นความคิดของเราหลอกเร า, าอันนี้ไม่ต้องไปกังวลพอเราเริ่มนั่งแล้วไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องร่างกาย มันจะไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังนี่ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงไหนเพราะจะมาคอยมาตับร่างกายกันเลยอ่ะโยกไปข้างหน้าก็บปรับมาข้างหลังเดี๋ยวปรับมากเกินไปอ่ะกลับไปข้างหน้าอกีกพอเราเริ่มนั่งสมาธิแล้วให้อยู่กับลมอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวเจ้าค่ะคำถามฝากถามเจ้าค่ะถือศีลห้าแล้วเราสามารถไล่ยุงได้ไหมเจ้าค่ะ ฉีดยาเจ้าค่ะได้ได้แต่ฉีดก็ต้องฉีดแบบไม่ให้ถูกถูกตัวมันเช่นฉีดในห้องรอบๆให้มันมีกลิ่นอย่างนี้แต่ถ้ามันตายก็ไม่ควรฉีดก็ใช้อย่างอื่นใช้ยากันยุงที่เป็นควันพอมันได้กลิ่นควันเหม็นๆมันก็หนีไปไล่มันได้แต่อย่าฉีดเพื่อฆ่ามันคำถามฝากถามค่ะกับเรียนสอบถามพระอาจารย์ พระพุทธองค์ทรงหนีจากราชสมบัติสลับหมดสิ้นเพื่อสแสวงทางพ้นทุกข์แต่กล่าวกระผมยังมีพาละทางโลกยังอย่างนี่สิ่ที่ก่อขึ้นเพราะความอยากมีของตนเองซึ่งมองมุมด้วยธรรมะแล้วความพอดีคือที่สุดเป็นธรรมเมื่อกระผมเลยความพอดีค่อยมีสติมองย้อนกลับมาเห็นความไม่พอดีของตนเองเกิดทุกข์ เกิดเบื่อหน่ายทั้งโลกที่ไม่จบไม่สิ้นดิ้นไปดิ้นมาตามความอยากและอํานาจของกิเลสจะมีวิธีประครับประคองใจตนเองอย่างไรครับก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาทนั้นที่จะประครับประคองใจได้ใช้พุทโธพุทโธหยุดความคิดหยุดอารมณ์ต่างๆใจก็จะเบาจะเย็นจะสบายแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจ อย่าไปโลภอย่าไปอยากได้อะไรเ<ม>พราะทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง<ม>เป็นของชั่วคราวเราควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ถ้า ม, มันเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เสมอไป<ม><ม>พอคิดอย่างนี้ได้เราก็จะปลดเปื้องความอยากต่างๆได้คำถามจากคุณอรุณค่ะกาบเรียนถามค่ะ คนที่ป่วยร่างกายไม่รับรู้อะไรสักอย่างแบบนี้ถือว่าจิตจะออกจากร่างกายเมื่อตายไปแล้วใช่หรือเปล่าคะคือตราบใดที่ร่างกายยังหายใจอยู่นี่จิตยังไม่ออกจากยังไม่แยกออกจากร่างกายไปจนกว่าร่างกายจะตายจิตถึงจะไปหมดแล้วเหรอมีอีกเจ้าค่ะ คำถามจากทาง facebook ค่ะถ้าเราอธิษฐานเบิกบุญมาใช้ในปัจจุบนันบุญเราจะหมดไหมเจ้าคะคือบนนี้เราอยู่ดีๆจะไปเบิกแบบเงินในธนาคารไม่ได้หรอก <c oughs> <c oughs> บุญมันเหมือนต้นไม้มากกว่าต้นไม้ที่เราปลูกเดี๋ยวถึงเวลามันจะออกดอกออกผลมันก็ออกให้เราถ้ายังไม่ถึงเวลามันก็ไม่ออกเฉนั้นเราเราอย่าไปกังวลกับเรื่องผลหอกังวลกับเรื่องเหตุ คือพยายามสร้างบุญไปเรื่อยๆสร้างบุญไปเอยอะๆแล้วเดี๋ยวบุญมันก็จะออกผลให้เราเองคำถามจากคุณนรงชัยค่ะขอกลับเรียนถามว่าความอยากเกิดจากเวทนาความรู้สึกดีหรือไม่ดีการพัฒนาให้หยุดความคิดความอยาก ให้ได้โดยทันเวลาก่อนที่ความอยากจะเกิดขึ้นหรือว่าความอยากเกิดขึ้นแล้วพิจารณาไตรลักษณ์อสุภะเราจึงหยุดได้ครับกราบสาธุครับ อ, อ๋อความอยากมันมีมากับจิตใจตั้งแต่นั่งเดิมมันเกิดจากความหลงโมหะอวิชชาที่ไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ในโลกนี้ความสุขอยู่ที่การมาเกิดมันมีร่างกายมันเลยพาให้เรามาเกิดพอเกิดแล้วเราก็อยาก อยากาความสุขผ่านทางร่างกายกันนั้นเราต้องสอนใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในโลกนี้<ม><ม>ความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจของเราอยู่ในใจที่ปราศจากความอยาก<ม><ม>อันนี้ก็ลองวิธีจะทมใจให้ปราศจากความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติสีนสมาธิ ป, ปัญญา<ม>เป็นเครื่องมือชำระความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ คำถามฝากถามค่ะมีทั้งหมดสามคำถามคำถามแรกนั่งสมาธิจะไม่ได้ดีทุกวันบางวันจิตวุ่นวายฟุ้งซ่านแค่หลับตาก็เข้าสมาธิได้ตลอดจิตเบาลมหายใจเบาแต่รู้ตัวตนรู้อาการร้อนหนาวความคิดปิติไม่เกิดเลยเหมือนตอนปฏิบัติใหม่ๆปิติเกิดตลอดเจ้าค่ะ เรื่องของปิตินี้มันไม่แน่นอน<ม>บางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิด<ม>แต่ไม่เป็นตัวสำคัญตัวสำคัญคือความสงบความสุขอันนี้ต้องเกิดทุกครั้งเวลาเราปฏิบัติแต่ปิตินี้บางทีก็มีบ้างบางทีก็ไม่มีบ้างแต่เป้าหมายของการปฏิบัติก็ต้องการความสงบและความสุขที่เกิดจากความสงบที่ตามมาข้อที่สองค่ะ ดูลมหายใจเข้าออกจมูกก็แสบถ้าเปลี่ยนเอาจิตมาไว้ที่กลางหน้าอกจะดีหรือเปล่าเจ้าคะถ้าสามารถดูลมที่กลางหน้าอกได้ก็ดูที่ตรงนั้นก็ได้เช่นค่ะชีวิตียุบหนอพองหนอนเรียกว่าดูที่กลางหน้าอกพอเวลาลมเข้าหน้าอกมันจะพองออกมาพอเวลาหายใจออกหน้าอกมันก็จะแฟบลงไปก็อันนี้ก็เป็นยุบหนอพองหนอไป เมื่อสักครู่ค่ะพระอาจารย์ที่บอกว่าหายใจที่กลางหน้าอกอาบอกต่อมาว่าพอหายใจเข้าคอก็แห้งเจ้าค่ะก็พุทโธก็แล้วกันถ้ามันมีปัญหาทางด้านหายใจก็ใช้คำบริกรรมใช้พุทโธไปใช้การสวดมนต์ไปข้อที่สค่ะเมื่อคืนนั่งได้สงบเรื่อยๆลมหายใจละเอียดร่างกายเบา แต่รู้ตัวตนนั่งได้หนึ่งชั่วโมงก็ออกจากสมาธิก็เลยนอนสมาธิดูลมหายใจเข้าออกพุโทโธดูท้องยุบพองจนหลับไปไม่ไหลไม่รู้สึกตัวตื่นมาอีกทีตกใจมีแสงสว่างเกิดขึ้นทั่วห้องลอยไปลอยมา ก็เล่นดึกว่าเราอยู่ที่ไหนเวลานั้นรู้สึกตัวแบบงงๆพอสว่างหายไปก็หลับน็อกไปเลยค่ะขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยเจ้าค่ะอ๋ออย่านอนสมาธินานอนสมาธิมันจะหลับเพราะมันจะไม่มีสติแล้วจิตเวลามันมีอะไรปรากฏขึ้นมาในจิตเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนวิธีนั่งส์ ทำสมาธินี้เขานิยมนั่งกันมากกว่าถึงจะได้ผลถ้านอนสมาธิมันก็จะไม่ได้ความสงบมันจะหลับแล้วถ้ามันได้เห็นอะไรมันก็จะเป็นสิ่งที่ใจควบคุมไม่ได้เพราะไม่มีสติในช่วงนั้นคำถามฝากถามค่ะหากต้องการรักษาสินแปด สินข้อที่ห้าห้ามนอนบนจำพวกพวกที่อ่อนนุ่มแต่สถานที่ไม่อำนวยมีความจำเป็นต้องนอนบนเตียงพื้นที่จำกัดแต่ใช้วิธีไม่ปูที่นอนเลือกนอนกับเตียงแข็งที่เป็นไม้หรือแผ่นเหล็กประกอบเตียงนั้นแทนเมื่อทำอย่างนี้จะผิดสินหรือด่างพร้อยไหมคะไม่หรอกเพราะว่าต้องการให้นอนแบบไม่สบายเกินไป ถ้านอนบนฟูกหนาๆมันสบายมันจะนอนมากเกินไปเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมามันจะไม่อยากลุกมันก็จะนอนต่อสองสามชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆเนี่ยมันไม่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะนอนต่อเป้าหมายของการรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อไม่ให้นอนมากเกินไปคำถามจากคุณปารีชาติค่ะเวลาร่างกายเจ็บ ความเจ็บเกิดขึ้นที่ร่างกายเราสามารถควบคุมจิตไม่ให้รู้สึกเจ็บได้หรือไม่เจ้าคะคือความเจ็บมันมีสองส่วนเจ็บเจ็บกายกับเจ็บใจเจ็บกายที่เราควบคุมไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของร่างกายอาจจะใช้ยาช่วยบรรเทาได้ถ้าเรากินยาแก้ปวดอย่างนี้มันก็มันก็ทุเลาหน่อยแต่ถ้าไม่มียามันก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปเราทําอะไรมันไม่ได้ หรือความเจ็บบางชนิดยาก็ช่วยไม่ได้ก็มีง้เราต้องเรื่องของความเจ็บทางร่างกายนี้มันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ในอำนาจของเราส่วนความเจ็บทางใจนี้มันอยู่ในอำนาจของเราความเจ็บความใจของเราเกิดจากความอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปถ้าเราไม่อยากให้ความเจ็บทางใจเกิดขึ้นเราก็อยากไปอยากให้ความเจ็บหายไปปล่อยให้มันเจ็บไป โดยการใช้พุทธโธพุทธโธพุทธโธหยุดความอยากคำถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งค่ะคำว่าจิตว่างและจิตที่ทปัศจากอารมณ์นิวรแตกต่างหรือเหมือนกันหรือเปล่าครับก็นั่นแหละนิวรณ์เป็นตัวที่ทำให้จิตไม่ว่างพอไม่มีนิวรจิตมันก็จะว่างเหมือนการที่นี่ถ้าไม่มีคนที่นี่มันก็ว่างพอมีคนมันก็ไม่ว่าง คำถามฝากถามค่ะทำอย่างไรให้จิตนิ่งเมื่อเวลานั่งสมาธิแล้วสังขารปรุงแต่งไปคิดเรื่องไปคิดเรื่องต่างๆกลาบขอพระคุณครับเพราะเรานั่งแบบไม่มีสติมันก็คิดอยู่เรื่อยๆเรวต้องมีสติกำกับใจอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้ดูลมหายใจก็ได้พอเราทาใช้พุทโธหรือดูลมมาก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ คำถามจากทาง YouTube นะคะเวลาเห็นคนบาดเจ็บจะสงสารมากที่ผ่านมาพุดโทและฝึ ก, น, กนึกถึงความตายทุกวันแต่ถ้าต้องพุดโทแล้วคุยกับคนเจ็บก็ทุก์สงสารมากแสดงว่ากำลังสมาธิกับปัญญาไม่พอใช่ไหมคะและยังขาดอะไรที่จะรับมือกับความทุกข์เจ้าคะก็นั่นแหละก็คือเรายังไม่สามารถควบคุมความอยากในใจของเราได้ อยากให้เขาไม่เจ็บเราก็เลยทุกข์กับเขาะงั้นเราต้องใช้สติคือพุทโธพุทโธเลยใช้ปัญญาสอนใจว่าความเจ็บนี้เป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้มันต้องเกิดกับคนทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บด้วยกันทุกคนเจ็บมากเจ็บน้อยก็ขึ้นอยู่ที่บุญบาปที่ทํามาคนที่ทําบาปน้อยก็เจ็บน้อยคนที่ทําบาปมากก็จะเจ็บมาก คำถามจากทางซูมเจ้าค่ะปฏิบัติได้สักพักหนึ่งได้รับความสุขทางใจและมีใจที่ผ่องใสอยากเรียนถามว่าปฏิบัติต่อไปก็คือการดูการเกิดดับของความสุขและความผ่องใสของใจใช่หรือไม่เจ้าคะดูทุกอย่างทุกอย่างมันไม่เที่ยงเทนั้นแล้วก็ดูเพื่อไม่ให้ไปยึดไปติดให้ยอมรับความเป็นจริงของเขา เขาเกิดก็รู้ว่าเขาเกิดเขาดับก็รู้ว่าเขาเกิดอย่าไปทุกข์กับการเกิดกับการดับของสิ่งต่างๆที่เราที่เราพบปะเห็นสอนใจให้รู้เฉยๆคำถามจากทาง YouTube ค่ะนั่งสมาธิแล้วลมหายใจหายไปต้องทำยังไงต่อไปครับมันมันไม่หายแถ้าหายก็ตายนะะ มันอาจจะแผ่วเบาจนกระทั่งเราจับมันไม่ได้ถ้าจับล้มไม่ได้ก็ดูดูความว่างไปดูความว่างแล้วก็ดูความคิดว่ามันคิดหรือเปล่าในความว่างนั้นมีความคิดหรือเปล่าถ้ายังมีความคิดอยู่ก็ต้องอย่าให้มันคิดถ้าหยุดมันไม่ได้ก็ต้องใช้พุทธโธมาช่วยหยุดมัน คำถามจากคุณก๊อฟค่ะในแต่ละวันเจอเรื่องราวต่างๆมากมายเราจะมีวิธีล้างใจอย่างไรไม่ให้ศกกปรกครับก็มองว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศในการต่างๆนี้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เราก็หัดอยู่กับมันไปเหมือนเราอยู่กับดินฟ้าอากาศเนี่ยเราไม่ค่อยวุ่นวายใจไปกับดินฟ้าอากาศใช่ไหมมันจะร้อนเราก็อยู่กับมันไปมันจะหนาวเราก็อยู่กับมันไป ผลมันจะตกแดนมันจะออกเราก็อยู่กับมันไปพอเราลึกว่าเราทำอะไรไม่ได้จะ <c oughs> ได้กับบุคคลกับเหตุการณ์ต่างๆมันก็แบบเป็นแบบนั้นอะมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นธรรมชาติ <c oughs> ก็เราก็ต้องอยู่กับมันไปเท้านั้นเองถ้าส่วนไหนทำได้เราก็ทำไปส่วนไหนทำไม่ได้เราก็ก็ต้องทำใจทำใจให้อยู่กับเขาไปใจก็จะไม่วุ่นวาย คำถามจากคุณกุลาบค่ะน้อมกับหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าเรามีพุโทโธในทุกวันแล้วในแต่ละวันที่หลวงพ่อสั่งสอนเราต้องสวดมนต์หรือไม่เจ้าคะเพราะเมื่อก่อนลูกชอบสวดมนต์แต่หลังๆนี้การสวดมนต์หายไปลูกมาสังเกตว่าตั้งแต่ลูกนั่งสมาธิลูกรู้สึกว่าจิตใจเย็นลงเหมือนลูกเป็นคนใหม่อันนี้ลูกพอปฏิบัติถูกทางหรือไม่เจ้าคะถูกแล้ว การสวดมนต์กับการบริการพุโทโธนีใช้แทนกันได้แต่พุโทโธจะดีกว่าพุโทโธจะทำให้จิตนิ่งกว่าแต่ถ้าบางทีใช้พุโทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์แทนก็ได้คำถามจากคุณไผ่ลิวค่ะจิตกับกายทิพย์คือตัวเดียวกันหรือไม่เจ้าคะตัวเดียวกันตัวเดียวกันเราเรียกมันหลายชื่อเรียกดวงวิญ ญ, ญาณบ้างกายทิพย์บ้าง คือเพื่อแยกมันออกจากร่างกายที่เป็นกายหยาบคำถามจากคุณวีราศักข์คะ่ะการทำงานศิลปะเราจิตนิ่งเป็นสมาธิจะเรียกได้ว่าเป็นแบบคณิกาสมาธิหรือไม่ครับจะพัฒนาต่อไปให้เป็นอั ป, ปนาได้ไหมครับจะเป็นสมาธินี้จิตต้องรวมสักแต่ว่ารู้ถ้ายังรู้เรื่องราวต่างๆยังคิดปรุงแต่งอยู่นี่ยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิ คำถามจากคุณจอยค่ะกราบหลวงพ่อค่ะลูกเหียบเต่าตายโดยไม่ได้ตั้งใจช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะก็ไปกินซิต้มมันเอาไปกินได้ถ้าเราไม่ตั้งใจไม่บาปหรอกหรือไมนก็เอาไปฟังเอาไปทำอะไรไปมันตายแล้วมันไม่มันมันไม่เป็นปัญหาแล้ว คำถามจากคุณปรีชาคะ่ะพระอาจารย์ครับกิเลสมันเก่งขึ้นหรือฉลาดตามกําลังที่เราปฏิบัติพัฒนาขึ้นไหมครับอ๋อมันเก่งมานานแล้วอะ <c oughs> มันไม่ใช่มึงมาเก่งเพราะตอนที่เราปฏิบัติมันเก่งกับเรามันถึงพาเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันงนั้นมันเราต้องพยายามสร้างธรรมขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาถึงจะทันมันถึงจะสู้กับมันได้นะครับ มันจะเก่งขนาดไห น, นมันก็สู้ปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้านี้ได้ชิงแชมป์ ม, มาแนละ้วได้ชนะกิเลรมาแนละ้วเห็นขวาเราเอาธรรมะของพระเจ้ามาใช้เอาอริยสัจ ส, สีเอาใตา้รักมาใช้คำถานจากคุณแนตตี้ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราตายแล้วไปนรกสวรรค์พรหมนิพพานในขณะที่เรายังไม่ตายเจ้าค่ะก็เหมือนตอน น, น, นอนหลับเนะ่ย ตอนนั้นเร า, เราก็ฝันนตอนนั้นเราก็เหมือนตายชั่วคราวถ้าเราฝันดีเราก็ไปสวรรค์ถ้าเราฝันร้ายเราก็ไปนลกไปอบายคำถามฝากถามค่ะกล่าวณมสการพระอาจารย์มีคนบอกว่าถ้าเราจ่ายเงินเดือนลูกน้องแล้วเขาเอาเงินเดือนที่เราให้ไปทำไม่ดีเราจะติดบบปด้วยหรือเปล่าเจ้าคะ่ะ เราไม่ติดหรอไม่เกี่ยวกันนอกจากเราสั่งเขาสั่งเขาให้เอาเงินนี้ไปไปทําร้ายผู้อื่นอย่างนี้ไปจ้างค่าไปอย่างนี้ถ้าเราสั่งเขานี่ถึงแม้เราไม่ได้ทําเองเราก็บาปด้วยตอนนี้คําถามหมดแล้วเจ้ า, า, าค่ะหลวงพ่อไปจ้างวานเขาให้เงินเดือนเขาเป็นค่าจ้างจ้างให้เขาไปค่าคนอื่นเนี่ยมันก็บาปถึงแม้ไม่ได้ทําเองก็บาปบาปนี้ บาปทั้งทำเองก็บาปสั่งให้เขาทำก็บาปนั้นอย่าไปสั่งใครเช่นไปสั่งไก่พรุ่งนี้อยากได้ไก่สองตัวนี่ก็บาปไปที่ตลาดแล้วไปสั่งคนขายไก่ว่าพรุ่งนี้อยากได้ไก่สองตัวเขาก็ต้องไปค่าไก่สองตัวมาให้เราแต่ถ้าเราไม่สั่งแล้วเราไปที่ตลาดเห็นไก่ตายแล้วเราซื้อมาอย่างนี้ไม่บาปนั้นอยู่ที่เจตนาเป็นหลัก ถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะทําให้เขาตายไม่บาป<ม>เดินไปเหยียบเต่าเพราะตาบอดหรือตาบวยมองไม่เห็นไม่บาป<ม>ขับรถแล้วชนสุนัขเนี่ยมันวิ่งตัดหน้ารถนีก็ไม่บาป<ม>ถอยรถแล้วแมวอยู่ข้างหลังรถเหยียบมันตายก็ไม่บาป<ม>อันนี้ไม่บาปมีไหมมีอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะคํา<ม>คถามจากคุณจิ๊บค่ะขอถามว่าเวลาฟังธรรมมาแล้ว เราไปฟังในห้องน้ําจะบาปหรือเปล่าเจ้คาค่ะไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่ถ้าคนรู้มันก็ไม่เหมาะถ้าใช้หูฟังนี้ก็ไม่เป็นไร <Yeah. S 2> เพราะว่าธรรมะในทางสมมติเขาถือว่าเป็นของสูง <Yeah. S 2> เวลาฟังเราต้องอยู่ในที่ต่ํากว่าในเวลาพระแสดงธรรมนี้ต้องนั่งสูงกว่าคนฟังแม้พระพระที่แสดงธรรมมีปัญญามีภาษาน้อยกว่าพระที่ฟังธรรมก็ยังนั่งที่สูงกว่าได้ อย่างเช่นเวลาพระสวดปฏิโมกเนี่ยจะมีพระพรนสาน้อยเป็นคนสวดแล้วมีพระทั้งวัดมีตั้งแต่พระเจ้าอาวาสลงไปมีพันสาเยอะกว่าก็ต้องนั่งต่ำกว่พาพระที่แสดงธรรมแสดงพระปฏิโมกเขาจะมีอาจให้พระแสดงปฏิโมกนั่งสูงกว่า mm hmm. เพราะว่าถือว่าการแสดงธรรมทำเป็นของสูง mm hmm. แต่ถ้าเราฟังธรรมในด้วยการใช้หูฟัง หรือเราคิดพิจารณาทำในใจนี้เราสามารถทำได้ทุกแห่งทุกคนแต่ด้ทางสมมติทางโลกเราก็ต้อง เ, อเข้ารบกกดกติกาของทางโลกเข้าไปามีไหมมีอีกเจ้าค่ะต่อไปอยังเหลืออีกสองนาทีจากคุณวัฒนีค่ะถ้าเราไปซื้อแมวมาเพื่อปราบหนูที่บ้านถ้าแมวไปฆ่าหนูเราจะบาปไหมเจ้าค่ะาก็าเรามีเจตนาต้องการเอานมน่ <c oughs> ายซื้อมา แต่ถ้าแมวมันโซซัดโซเซมามันไม่มีที่อยู่อาศัยเราเอามาเลี้ยงวันนี้ถ้ามันไปกินหนูเองเนี้ไม่บาปแต่ถ้ามีเจตนาไว้ล่วงหน้าก่อนว่าต้องการที่จะกําจัดหนูในบ้านก็เลยไปซื้อแมวมาหรือต้องการกําจัดลูกน้ําในน้ำอย่างเงี้ยก็ไปซื้อปลามาแล้วก็ปล่อยในในในน้าที่มีลูกน้าเพื่อมันจะได้กินอย่านี้ก็บาปเหมือนกันว่ามันมีเจตนาที่จะฆ่าเขาอะไร อ่าต่อไปอคําถามหนึ่งคําถามสุดท้ายคําถามสุดท้ายจากคุณทวิชาค่ะจะเรียนถามว่าการวางจิตก่อนตายต้องทําอย่างไรโช้าคะต้องวางตั้งแต่ ย, ยังไม่ตายเพราะใบวางตอนก่อนตายมันไม่มันไม่มันไม่พร้อมเหมือนนักมวยถ้าไม่ซ้อมโชคก่อนขึ้นเวทีพอขึ้นเวทีก็จะถูกเขาโชคอย่างเดียวเตั้นต้องซ้อมโชคก่อนขึ้นเวทีต้องหัดตายก่อนตายไม่ใช่มาหัดตายตอนที่จะตายเวลามันไม่พอ อย่างเช่นตอนนี้หัดตายอยู่แบบคนตายดูสิไม่ไปเที่ยวไหนไม่ไปกินไปดื่มไม่ไปหาความสุขจากทางร่างกายนี้ถือว่าเป็นคนตายน ะ, ะยงั้นพอเวลาตายมันก็จะตายอย่างสงบตายอย่างสบา ย, ยงั้นต้องหัดตายก่อนตายไม่ใช่มามาหัดตายตอนที่กําลังจะตายเหมือนนักมวยมาหัดชกตอนตอนที่จะขึ้นเวทีตอนนั้นมันสายเกินไปแล้ว เอาล้นะเวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด